จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันลองของนะเราจะฝังเทศกันในบรรยากาศอย่างนี้แหละนี่หลวงพ่อก็ไปเทศมาหลายที่ละแต่ว่ายังไม่เคยเทศในที่แบบนี้นะลองดูการที่จะมาฝึกฝนตัวเองให้มีความสุขวันนี้ได้ยินว่าเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องความสุข ให้ชีวิตเปลี่ยมสุขมันจะเปลี่ยมสุขได้นะถ้าเราขจัดความทุกข์ออกจากใจเราได้แทนที่เราจะวิ่งหาความสุขนะเราลองมากลับข้างดูคนในโลกเนี่ยวิ่งหาความสุขตลอดเวลาเลยแต่ไม่เคยหาได้วิ่งหาความสุขตลอดชีวิตนะตอนเด็กๆนะก็คิดว่าถ้าเรียนหนังสือจบนะคงจะมีความสุขทำงานได้เองไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น ไม่ต้องขอเงินใครใช้อะไรเงี้ยชีวิตคงมีความสุขพอเรียนหนังสือจบจริงๆก็รู้สึกยังไม่สุขต้องหางานทำถ้ามีงานทำแล้วก็จะมีความสุขมีตำแหน่งมากๆตำแหน่งใหญ่ๆนะเงินเดือนสูงๆจะมีความสุขมีแค่นี้ก็ยังไม่มีความสุขอีกก็หาต่อไปอีกต้องมีครอบครัวมีสามีมีพันยาถึงจะมีความสุขมีแล้วก็ต้องมีลูกอีก หวังว่าถ้ามีลูกแล้วชีวิตจะได้ i i <c ười> สมบูรณ์แบบรับรองเลยทุกสมบูรณ์แบบท <hum> าร่าทั้งนั้นเลยค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยก็หวังว่ามีลูกนะ <c ười> ถ้าลูกเราฉลาดด้วยเก่งด้วยรูปร่างหน้าตาดีด้วย <H> <c ười> ชีวิตเราจะสมบูรณ์แบบลืม ต, ตัวตัวเราเองนะ <c ười> ว่ามันฉลาดแค่ไหนอยากให้ลูกฉลาด <c ười> เ, รเราสวยแค่ไหนอยากให้ลูกสวยอย่างเงี้ยนี่เราก็หวังไปด้วยนะ อยู่ไปเรื่อยจนอายุมากๆนะมันไม่สบายบ่อยหวังวันไหนนะมันแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยจะมีความสุขป่วยมากๆเข้านะต่อไปพอแก่มากๆป่วยมากๆเข้า น, ะนี่กคิดอีกตายซะได้คงยังมีความสุขเนี่ยเราเที่ยวหาความสุขตลอดชีวิตเลยนะตั้งแต่เด็กๆนะตะเกียกตะกายหาแต่ความสุขแล้วก็คิดว่าถ้าอย่างนี้จะมีความสุขถ้าอย่างนี้จะมีความสุขมีแต่คำว่าถ้า ถ้าได้อย่างนี้แล้วจะมีความสุขถ้าได้อย่างนี้แล้วจะมีความสุขเนี่ยตลอดชีวิตเป็นอย่างนี้หมดเลยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราวิ่งหาความสุขหรอกแต่ท่านสอนให้เราขจัดความทุกข์ออกจากใจเรานะถ้าใจเราไม่มีความทุกข์ใจเราก็มีความสุขอัตโนมัติแต่ถ้าเราคิดว่าต้องหาความสุขแล้วก็เราหาให้ตายเราก็หาไม่เจอความสุขมันเหมือนภาพลวงตาเหมือนเหมือนจะจับได้แป๊บเดียวก็หลุดมือหายไปทุกที เพราะนพวกเราชาวพุทธเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องว่าหาความสุขได้ยังไงแล้วท่านรู้ว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เราสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราไดนะ้ความสุขมันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะมันเป็นลําดับลําดับไปนะยิ่งถ้าเราภาวนามากเข้านะใจของเราไม่ไปยึดไปถือไม่ไปเกาะไปเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะชิดใจจะมีความสุขอย่างมหาศาลเล ความสุขอย่างโลกโลกเนี่ยความสุขอย่างที่เขาสุขกันอย่างนี้เป็นความสุขเหมือนเหมือนเด็กเหมือนความสุขแบบเด็ก ๆ, <S <S ๆเล่นดินเล่นทรายเล่นก้อนอิด ก, ก้อนหินอะไรอยู่ข้างถนนโศกปลอกมอมแมมก็มีความสุขนะเด็กมันเล่นอย่างนั้นก็มีความสุขแต่มันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงหรอกนะเป็นความสุขที่หลงโลกมอ <S <S 1> <S 1> มอ <S 1> <S 1> มแมมมมไปถ้าเราได้ภาวน า, าเราจะค้นพบความสุขที่แท้จริง ไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับใจที่พ้นจากความปรุงแต่งใจที่พ้นจากความปรุงแต่งใจที่พ้นจากความอยากในใจที่สัมผัสกับพระนิพพานเราอย่าไปคิดว่านิพพานเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งชาตินี้ไม่มีโอกาสเจอถ้าเราคิดว่านิพพานเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลแสนไกลนะเป็นบร ม, มสุขที่อยู่ไกลแสนไกลเรายัางไม่มีทางเจอถ้าคิดอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีวันเจอหรอก เพราะนิพพานนี่ไม่เคยอยู่ที่อื่นเลยนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละแต่ใจของเราเองมันฟุง้งซ่านใจของเราเองมันวุ่นวายใจของเราเต็มไปด้วยความอยากเต็มไปด้วยความดินน้นรนเราก็เลยไม่มีความสุขสักทีเราไม่ได้สัมผัสความสุขซึ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาเราแตหน้าเสียดายโอกาสนะพวกเราชาวพุทธเนี่ยต้องหัดภาวนาเชิญวันหนึ่งเราแจ้งพระนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าเรานี่เองไม่ได้หาที่อื่นเลย นิพพานไม่ได้อยู่กับพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่วัดนะจะอยู่ที่ใจของเราซึ่งมันพ้นจากกิเลสพ้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งพ้นจากความอยากทั้งหลายนี่นเราค่อยมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะเพื่อว่าเราจะได้มีความสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นบรามัสุขของอื่นไม่มีความสุขเท่านี้นะความสุขอื่นๆนี่เป็นความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวทั้งหมดเลยกระทั่งการนั่งสมาธิ นั่งสมาธิไปเรื่อยจิตสงบมีความสุขออกจากสมาธิมาจิตก็ไม่สงบจิตก็ไม่มีความสุขอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นความสุขมันไหลระดับนะความสุขอย่างโรคๆเนี่ยความสุขมอมมแแมมเหมือนเด็กเล่นกลวดเล่นหินอยู่ข้างถนนเท่านั้นเองความสุขจากฌานสมาบัตินะก็เป็นความสุขที่ประนีตขึ้นหนแต่ก็ยังเป็นความสุขที่ยังติดอยู่ติดข้องอยู่กับสมาธิพอมีสมาธิก็มีความสุขหมดสมาธิก็ไม่มีความสุขมันไม่เหมือนความสุข จากการภาวนาเจริญปัญญาจนเห็นพระนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสัมผัสความสุขอันสูงสุดนั่นคือพระนิพพานแลก็เราก็ต้องมาดูมาเรียนรู้ทุกต้องเรียนรู้ทุกไม่ใช่หนีทุกเพราะเราคิดว่าถ้าเราหนีทุกได้เราจะมีความสุขทุกคนก็หนีทุกมาแต่ไหนแต่ไรนะหิวข้าวอยากกินน้อนอยากกินนี่อยากได้น้อนอยากได้นี่นะ หาเงินมาซื้อหาเงินมาบริโภคอะไรคิดว่าจะมีความสุขเดี๋ยวเดียวก็อยากอย่างอื่นเองใจเราไม่เต็มไม่หยิ่มสักอย่างเดียวนะใจหิวโหยตลอดเวลาเท mm hmm. ่าไหรเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะฉะนั้นใจนะ่าไม่เคยมีความสงบสุขอย่างแท้จริงเลยเราค่อยๆมาเรียนรู้นะเรียนรู้ความทุกข์อะไรเรียกว่าความทุกข์กายของเรานี้แหละเรียกว่าตัวทุกข์จิตใจของเรานี้แหละคือตัวทุกข์นะ นี่เรียนธรรมะนะฟังธรร ม, มนะนีฟังให้มันถึงแก่นให้มันถึงจิตถึงใจจริงๆถ้าฟังธรรมะฉ า, าบฉาบเฉยเฉยสนุกสนานเฮฮาๆๆๆเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าฟังธรรมะเราต้องเอาไปปฏิบัติให้ได้เลยนะอะไรเรียกว่าทุกข์ไหมกายนี่แหละคือตัวทุกข์ใจนี่แหละคือตัวทุกข์คนทั่วๆไปเขาไม่เห็นหรอกเขาเห็นแต่ว่าเวลาเขามีความอยากขึ้นมานะ ถ้าเขาสนองความอยากได้เขาก็สบายใจมีความสุขแต่เดี๋ยวๆความอยากก็เกิดอีกแล้วความอยากเกิดใหม่ก็ดิ้นรนสนองความอยากไอีกนะหวังว่าจะมีความสุขมันอยู่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ความสุขก็หายเป็นไปอยากอย่างอื่นอีกแล้วให้ความสุขอย่างนั้นไม่มีจริงอ่ะเรามาเรียนรู้ให้เห็นความจริงของโลกนะเรียนรู้ให้เห็นความจริงของชีวิตเราจะเห็นเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏ คึ้นในกายในใจของเราเนี่ยนอกจากทุกข์นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปนะถ้าเราเห็นได้อย่างนี้จิตจันจะถึงหมดความยึดถือในกายในใจกายก็ใจเป็นตัวทุกข์นะถ้าเมื่อไรเราสลัดคืนกายคืนใจให้โรคได้ก็คือทิ้งตัวทุกข์ไปนะพ้นจากกายจากใจจากโรคจากนามนี้ไปจะสัมผัสพระนิพพานมีความสุขที่มหาศาลขึ้นมา ส่วนอยู่กับโลกเพียงหาความสุขเท่าไรก็หาไม่เจอหาตั้งแต่เกิดจนตาก็หาไม่เจอนะดิ้นไปเรื่อยนะเต็ไมไปด้วยความอยากเต็ไมไปด้วยความผิวโหยเร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขเรอกงั้นพวกเราต้องมาค่อยๆฝึกจิตฝึกใจของเรานะมาเรียนรู้ความจริงของกายมาเรียนรู้ความจริงของจิตใจตัวเองให้มากถ้าหากเราอยากได้มากผลนิพพานเนี่ยเราทิ้งการที่จะมามีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ได้นะ พยายามรู้สึกอยู่ในกายพยายามรู้สึกอยู่ในจิตใจของเราบ่อยๆถ้าเราฟุ้งซ่านเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรฟุ้งซ่านมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองเราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจของตัวเองได้เราก็ไม่มีทางจะเห็นความจริงในกายในใจความจริงในกายในใจก็คือมันเป็นตัวทุกข์นั่นแหละนะแล้วเราต้องค่อยๆมาฝึกนะขั้นต้นเลยขั้นต้น ก่อนที่เราจะมาฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจได้ในขั้นต้นสุดเลยเราควรจะมารักษาสีล5้าให้ได้ก่อนนะงั้นหลวงพ่อจะลงมือพูดถึงเรื่องการปฏิบัติแล้วนะพวกเราตั้งใจฟังให้เป็นลาดับลาดับไปคำสอนของพุทธเจ้านะั้นเป็นขั้นเป็นตอนงดงามมากเลยเบื้องต้นพวกเรารักษาสีล5้าเอาสีล5้าเท่านั้นแหละไม่ต้องศี่แปสี 8, สิ 10, อะไรยุ่งยากนะ ศีลห้าก็พอแล้วสําหรับการบรรลุมรรคผลรักษาศีลห้าไว้การที่เรารักษาศีลห้าไว้เป็นประจำเนี่ยจิตใจเราจะมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นคนที่ทำผิดศีลเนี่ยเพราะว่ากิเลสมันครอบงำใจนะ่งคนจะไปทำร้ายคนอื่นนะโกรธแค้นอาฆาตทำร้ายเขาอะไรเนี่ยหรือไปขโมยของเขาอะไรเงี้ยจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบ ระหว่างคนจะทำร้ายคนอื่นกับคนที่มีความเมตตาพวกเรานิดออกไหมว่าใครจะมีความสุขมีความสงบมากกว่ากันคนที่คิดร้ายกับคนอื่นนะกับคนที่มีเมตตาต่อคนอื่นเนี่ยคนที่มีความเมตตาเนี่ยนะจิตใจมีความสุขมีความสงบนะแม้การที่เรารักษาศีลเราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่อะไรเนี่ยฝึกไปเรื่อยจิตใจเราจะมีความเมตตาเกิดขึ้นเราไม่ลักไม่ขโมยของใครอยากลักอย่าขโมยของคนอื่นนะจิตใจไม่มีความสุขไม่มีความสงบมันวุ่นวาย ก่อนจะขโมยก็ต้องวางแผนระห ว, ว่างขโมยก็กลัวเขาจะมารู้มาเห็นนะขโมยไปแล้วก็ต้องมาปกปิดอะไรย่างเงี้ยชีวิตไม่มีความสงบไม่มีความสุขนะจะเป็นชั่วับเขาชีวิตก็ไม่มีความสงบนะซื่อสาตย์อยู่ในคู่ของเรานะสงบอยู่ไม่วุ่นวายคนโกหกหลอกลวงจิตใจไม่สงบนะคนพูดความจริงจิตใจสงบง่ายกว่าเยอะเลยคนขี้เหล้าเมายาจิตใจไม่สงบฟุ้งซ่าน คนฝึกสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยไม่หลงกับสิ่งเสพติดต่างๆจิตใจสงบง่ายกว่างั้นถ้าหากเรารักษาศีล5ให้ดีนะใจเราจะเริ่มมีความสุขมีความสงบเกิดขึ้นนะแทนที่เราจะคิดนะคนทั่วๆไปเขาคิดว่าการรักษาศีลนะทาให้เกิดความทุกข์ต้องรักษาศีลทําให้มีความทุกข์มากในความเป็นจริงเรากลับข้างกันเลยถ้าเรารักษาศีลได้เราจะมีความสุข เราไม่ต้องคิดทำลายใครก็มีความสุขไม่ได้ขโมยใครเราก็มีความสุขไม่ได้เป็นชู้กับใครเราก็มีความสุขไม่ต้องปลิ้นปล่อนต่อแหลงนะก็มีความสุขก็สบายเพราะนเบื้องต้นพวกเราตั้งใจนะตั้งใจรักษาศีลห้าไว้แล้วตั้งใจให้ดีเลยแล้วต่อมาเราเบื้องต้นนะเราตั้งใจรักษาไว้ก่อนต่อไปเราจะพัฒนาการถือศีลของเรานะให้ประณีตมากขึ้น การถือศีลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการมีสตินะคอยรู้ทันเวลากิเลสต่างๆมันเกิดขึ้นในใจเราคนทำผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสครอบงำใจอย่างคนเราจะไปฆ่าเขาไปตีเขาใช่มมันก็ต้องมีความโกรธบ้างมีความโลภบ้างครอบงำใจจะไปรักทรัพย์เขาทำลายทรัพย์สินเขานะบางทีก็ทำไปเพราะความโลภอยากได้ของเขาทีก็โกรธเขาเกลียดเขาแกล้งทำลายทรัพย์สินเขาก็ทาได้ เป็นชู้กับเขานะแล้วทไปด้วยความโลภบ้างเป็นโกรธเขาโกรธเขาแกล้งไปเป็นชู้กับลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแ ก, แกล้งก็ได้งั้นคนเราทําผิดศีลได้นะเพราะว่ากิเลสมันครอบงําใจเรานะกิเลสเนะี่ยพวกเรารู้จักไหมใครรู้จักโกรธบ้างยกมือซิใครโกรธเป็นบ้างมีไหมโอ้รู้จักกันทั้งนั้นเลยเนาะใครโลภเป็นบ้างโลภเดินเข้ามาในห้างนะหน้าโลภนะ ถ้ายังไม่ได้กินข้าวได้กลิ่นน้อนกลิ่นนี้ก็โลภละอยากกินเนื้อเรารู้จักนะโกรธเป็นไงเราก็รู้จักโลภเป็นยังไงก็รู้จักฟุ้งซ่านเป็นไหมฟุ้งซ่านหดหูเป็นไหมหดหูเศร้าใจอิจฉาเป็นไหมไม่ยากเลยนะที่เราจะรู้ทันกิเลสเพราะว่าเรารู้จักอยู่แล้วโกรธเป็นไงเราก็รู้โลภเป็นไงเราก็รู้นะอิจฉาริษยาเป็นไงก็รู้กลัวเป็นไหมกลัว กลัวก็เป็นใช่ไหมกังวลเป็นไหมเครียดรู้จักเครียดไหมเซ็งอ่ะเป็นไหมเบื่อเซ็งกับเบื่อเหมือนกันไหมไม่เหมือนเนี่ยเพราะเรารู้จักอยู่ทุกชนิดเลยนะกิเลส น, นานาชนิดเนี่งยง่ายๆเลยเราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดที่ใจเราเราคอยรู้ทันไว้ความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเราความโกรธไม่ได้เกิดที่อื่นครับเกิดอยู่ที่เดียวที่ใจของเรานี่เอง พอความโกรธเกิดขึ้นมาเรารู้ทันมันนะความโกรธมันจะกระเด็นออกจากใจเราไปเลยพอเมื่อไหร่ที่เรารู้ทันมันเรามีสติขึ้นมาเรารู้ทันมันปุ๊บกิเลสมันอยู่ไม่ได้กิเลสมันเล่นได้ทีเฟ้อเท่านั้นแหะถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันว่ากิเลสมาแล้วนะกิเลสจะกระเด็นหายไปเองเมื่อกิเลสมันหายไปแล้วเนี่ยศีลมันไม่ผิดหรอกนะศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นเลย ก็เราไม่มีกิเลสเราไม่ได้โกรธเราไม่ได้โลภเราจะไปทำร้ายใครเราไม่มีกิเลสนะไม่ได้โกรธไม่ได้โลภจะไปขโมยของใครใไหมจะไปเป็นชู่กับใครจะไปติ้นต้อนหลอกหลวงใค ร, รไม่มีกิเลสจะครอบงางั้นตัวสำคัญเลยที่ทำให้เราจะถือศีลได้อย่างสะอาดหมดจดนะก็คือการมีสติมีสติคอยรักษาจิตของตัวเองนะคอยรู้ทัน กิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันเรารู้ได้อยู่แล้วรู้ได้ทุกคนนะแต่ว่าที่ผ่านมาเราละเลยที่จะรู้เราไม่รู้ตรงนี้แหละเป็นวิธีปฏิบัติธรรมที่แสนจะวิเศษนะส่วนมากคิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทําอันโน้นต้องทําอันนี้เรื่องมากเรื่องมากเหลือเกินนะความจริงการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรหรอกมีสตินะคอยรู้เท่าทันในจิตในใจของเรานี่แหละกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันนะศีลมันก็เกิดการรักษาศีลนั่นะก็คือการปฏิบัติธรรมแบบหนึ่งนะ งั้นถ้าเรามีศีลขึ้นมาได้นะใจเราจะสงบง่ายมีความสุขมีความสงบเห็นไหมก็ไม่ฟุ้งซ่านไปนะถัดจากนั้นเราก็มาฝึกใจของเราให้มันมีสมาธิขึ้นมาสมาธิมันมีสองชนิดนะสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยจิตมันสงบเฉยๆยนะ เช่นเราดูท้องฟองยกไปนะจิตเราก็นิ่งอยูいい่ที่ท้องไม่ไปไหนเลยซึมอยู่ที่ท้องนิ่งอยู่ที่ท้องอย่างเดียวได้สมถะนะเป็นสมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าอารัมมานูปนิชฌานไปใช้ทําสมถะกรรมฐานทับสงบได้เท่านั้นแต่เดินปัญญาไม่ได้นะหรืออย่างเราเดินจงกรมเนี่ยจิตเราไปจับอยู่ที่เท้านะเท้าขยับคลิกคลิกคลิกนี่รู้หมดเลยนะเห็นเท้าตลอดเลยไม่ลืมเท้าเลยจิตจ่ออยู่ที่เท้าอันเดียว การที่จิตจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยทำให้จิตสงบนะแต่ว่าจะไม่เดินปัญญานะจิตจะนิ่งอยู่เฉยๆนะมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสมาธิที่ดีที่วิเศษนะแต่อาภัพไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกนะอย่างกระทั่งพวกที่บอกว่าทําวิปัสสนาะวิปัสสนาทำไม่ได้จริงอ่ะเพราะไม่มีสมาธิที่ถูกต้องถ้าจะเจริญปัญญาได้นะต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือสมาธิที่จิตตั้งมั่น นะสมาธิเนะี่ยถ้าเราไปดูพระจ้านุกรมนะสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบพวกเราเอะมักง่ายชอบไปคิดว่าสมาธิแปลว่าสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นจิตของเราปกติไม่ตั้งมั่นอะมันแฉลบซ้ายแฉลบขวาตลอดเดี๋ยวก็ไหลไปอดีตไปคิดถึงอดีตเดี๋ยวก็ไหลไปอนาคตคิดถึงอนาคตใช่ไหมอยู่บ้านก็คิดถึงจะมาอายุธยาปาก จะมาฟังเทศฟังสักภาคหนึ่งจิตกลับบ้านไปแล้วตัวยังไม่ได้กลับจิตมันไม่อยู่กับตัวเองนะมันฉลปซ้ายฉลัขวาเดี๋ยวก็ฉลปไปทางโน้นเดี๋ยวฉลับไปทางนี้ตลอดเวลาตามองเห็นจิตก็ฉลปไปดูหูได้ยินเสียงจิตก็ฉลปไปฟังใจคิดจิตก็ฉลับไปคิดจิตฉลัไปฉลับมาทั้งวันเลยตรงที่จิตมันฉลับไปฉลัมาวิ่งไปวิ่งมานี่แหละเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่น จิตมันยังไม่มีความสงบนะเราก็ไม่ตั้งมั่นมันแว่งซ้ายแว่งขวาแว่งไปอดีตแว่งไปอนาคตแว่งไปทางตาแฝงไปทางหูแว่งไปทางใจนะกัดแว่งอยู่ตลอดเวลาเราต้องมาฝึกนะทำไงให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้ตัวเนี้เป็นตัวสําคัญมากเลยก่อนที่จะเจริญปัญญานะนี่หลวงพ่อบอกตรงๆเลยก่อนที่เราจะไปเจริญปัญญาไปรู้รูป ร, รู้นามได้เนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเสียก่อน ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นจเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอกจะกลายเป็นไปนเพี่งหมดเลยเช่นเราไปดูทอ้องผองท้องยุบจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตมันจะไหลลงไปอยู่ที่ท้องนะไปนิ่งอยู่ที่ท้องเลยเราเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิมจะไปอยู่ที่เท้าเลยมันจะไม่เดินปัญญาไม่จะสงบเฉยเฉยจะปัญญาจะไม่เกิดปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์นะก่อนจะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูให้ได้เสก่อน ถ้าจิตไม่เป็นคนดูจิตจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอยู่นะจะไม่มีปัญญาเกิดขึ้นเลยต้องถอนตัวเองเอามาเป็นคนดูให้ได้นะวิธีที่เราจะฝึกเราก็ใช้สตินี่แหละสติเป็นตัวที่คอยรู้ทันอย่างตอนที่เราฝึกให้มีศีลเราใช้สติรู้ทันจิตที่มีกิเลสนะกิเลสเกิดกับจิตรู้ทันกิเลสเกิดกับจิตรู้ทันกิเลสครอบงาจิตไม่ได้ศีลก็เกิดตรงนี้เราก็เหมือนกันเราก็อาศัยสติรู้ทันจิตนะ จิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดก็รู้ทันหรือจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตของเราเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะเนี๋ยเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหูนะเคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเคลื่อนไปทางใจส่วนใหญ่เคลื่อนไปคิดถ้าเป็นนักปฏิบัติจะเคลื่อนไปเพ่ง นะเคลื่อนเนเคลื่อนไปสองแบบถ้าไม่เคลื่อนไปคิดก็เคลื่อนไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่เดียวนะเพราะฉะั้นเบื้องต้นเนี่ยให้เราคอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมานะต้องทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งขึ้นมาจะดูท้องฟองยุบก็ได้จะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้นะแล้วคอยรู้ทันจิตไว้เช่นเราพุโทโธพุโทโธไปจิตเราไหลไปคิดลืมพุโทโธแล้วหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดละ เรารู้ลมหายใจนะหายใจเข้าหายใจออกจิตหนีไปคิดเรารู้ทันว่าโอ้ลืมลมหายใจแล้วหนีไปคิดล่ะนะ <S <S ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นเองเรียกว่าคณิกนะสมาธินะสมาธิจะเกิดขึ้นเป็นขณะขณะแต่ตัวนี้สําคัญมากอย่าดูถูกว่าหนึขณะจิตไม่สําคัญนะเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยเกิดหนึ่งขณะจิตเท่านั้ น, นไม่มี2องขณะจิตเลยในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้น เกิดชั่วแวบเดียวเท่านั้นเองงั้นหนึ่งขณะนี่เราอย่าดูถูกเราต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นขณะขณะขณะขึ้นมาไม่ใช่ตั้งแล้วสงบซึมๆอยู่เฉยๆนะตั้งซึมมา3วัน3คืนก็ซึมอยู่งั้นอย่างนั้นจะไม่ใช่สมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาสมาธิที่เราจะใช้เดินปัญญาเนี่ยสมาธิธรรมดานี่เองใจเราไหลไปเรารู้ทันใจเราไหลไปเรารู้ทันเบื้องต้นทำกรรมฐานอย่างหนึ่งก่อนจะช่วยให้เรารู้ทันจิตที่ไหลไปได้ง่ายขึ้น อยู่ๆเราจะไปรู้ทันจิตที่ไหลเนี่ยยากมากเลยนะเพราะว่าจิตเราไหลมาตั้งแต่เกิดแล้วมันเคยชินที่จะไหลไปไหลมาไ ห, มไหลไปอดีตไหลไปอนาคตไหลไปดูไหลไปฟังนะใครเคยไปเยี่ยมคนออกลูกบ้างออกลูกใหม่ๆใครเคยไปบ้างไหมเราเห็นเด็กแดงๆนะั้นเราชอบไปเอามือไปโบกหน้าเด็กใช่ไหมจ๊เอ๋จ๊เอ๋นะให้เด็กมันสนใจเนี่ยเราฝึกให้เด็กส่งจิตออกนอกนะส่งจิตให้เด็กมันสนใจของนอก ไม่มีใครเลยที่ไปเยี่ยมเด็กเกิดใหม่เราก็บอรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวนะไม่มีสักคนเลยนะมีแต่หลอกให้เด็กหลงนะอายุทยาเนี่ยมีปลาตะเพียนเยอะใช่ไหมแขวนห้อยเอาไว้ให้เด็กดูตอนเด็กๆหลงพ่อก็ดูเหมือนกันนะผู้ใหญ่ก็แขวนไว้เหนือเพ ล, ลก็ดูจิตออกนอกจิตไปอยู่ที่ปลาตะเพียนลืมตัวเองเนี่ยเราถูกฝึกนะให้ออกนอกให้ลืมตัวเองตลอดเวลา ต่อไปนี้เราพยายามกลับมารู้สึกตัวเองให้ได้นะถ้าเราจิตใจเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะถึงจะเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องจิตใจตั้งมั่นมันจะมีสภาวะที่ว่ารู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่หลงไปนะจิตปกติลงตลอดเลยกนระทั่งเป็นลงมือปฏิบัติรำนะไปย่องยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าวิ่งนิ่งอยู่กับเท้านะั้นจิตส่งออกนอกแล้วนะจิตส่งไปอยู่ที่เท้าแล้วเคลื่อนไปแล้วไปดูท้องฟองยกจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องแล้ว ไปรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยจิตเคลื่อนทั้งหมดเลยจิตไม่ตั้งมั่นจริงนะเพราะฉะั้นวิธีการฝึกนะฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะเราหายใจก็ได้หายใจเข้าหายใจออกนะจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปจับนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทัน จะดูท้องฟองยุคก็ได้เหมือนกันหมดนะกรรมฐานเนะี่ยไม่ดีไม่เรวว็วกันา ร, รากเหมือนเหมือนกันหมดอนะ่ะถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเราจะรู้สึกเราจะรู้เลยว่าวิธีการเนี่ยไม่สำคัญเท่าไหร่วิธีการเนี่ยใครถนัดวิธีอะไรใช้ได้ทูกวิธีแหละแต่หลักนะั้นต้องถูกนะสังักการหลักที่เราจะฝึกก็คือเราจะฝึกให้จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัววิธีฝึกนะทกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดที่เราคุ้นเคย ใครถนัดพุดโทโธก็พุโทโธแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุโทโธล้นะหรือบางทีสวดมนต์ไปอรหังสัมมาสัมพุโทโธนะหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วปากก็ยังสวดอยู่นะอันนี้สวดด้วยความเคยชินของไขสันหลังสวดไปเรื่อยใจหนีไปที่อื่นนะให้คอยรู้ทันใจที่ไหลไปใจที่หนีไปนะบางทีมก็หนีไปเกาะนิ่งๆดูท้องก็จิตไปอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจจิตไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจ ก็รู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเคลื่อนไปอยู่ที่มือเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนรู้ทันมันเรื่อยๆตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเนี่แหละสติเป็นตัวรู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตที่เคลื่อนไปนั้นมันเคลื่อนด้วยโมหะอำนาจของความฟุ้งซ่านทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านจะดับความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสนะกิเลสจะเกิดร่วมกับสติไม่ได้เด็ดขาดเลย สตินี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะถ้าจิตเราไหลไปปุ๊บมันฟุ้งซ่านไปทันทีที่รู้ทันว่าจิตไหลจิตฟุ้งซ่านนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเลยความฟุ้งซ่านจะดับด้วยตัวของมันเองเราไม่ต้องไปดับมันนะมันดับของมันเองเมื่อไหรที่สติเกิดนะเมื่อนั้นกิเลสดับอันนี้เป็นกฎของธรรมะเลยนะถ้าเรารู้หลักตัวนี้แล้วเราไม่ต้องไปกลัวกิเลสกิเลสเกิดขึ้นมาเราแค่รู้ทันปุ๊บมันจะดับเองเลยนะเราคอยรู้ทันส่วนที่จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเพราะโมหะ ควาฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านนั้นถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันฟุ้งไปนะจิตฉลับไปฟุ้งไปแล้ววิ่งไปดูรูปแล้วเรารู้ทันว่าฟุ้งไปดูรูปแล้วทันทีที่รู้นะจิตจะกลับมาอยู่กับตัวเองจะตั้งมั่นขึ้นมาเลยตัวเนี้สําคัญนะพวกเราต้องฝึกให้ได้นะถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเจริญปัญญาไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่จิตใจเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกชนิดหนึ่งแปลก แปลกมากๆเลยเราจะรู watering, ้สึกว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันพวกเราบางคนที่เรียนเรียนนะเคยได้ยินเรื่องโสรถยานไหมยานที่หนึ่งบอามรูปปริเฉษทายานนามรูปปริเฉษทายานคือแยกรูปกับนามได้นะรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้นั้นเราเห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนรู้เนี่ยเราแยกรูปแยกนูปได้นะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนรู้นะ หรือเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนรู้เห็นกิเลสเกิดขึ้นใจเป็นคนรู้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นใจเป็นคนรู้มันจะเห็นเลยว่าร่างกายไม่ใช่จิตใจจิตใจเป็นคนรู้ร่างกายความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่จิตใจนะจิตใจเป็นคนไปรู้ความสุขความทุกข์เข้ากิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตใจเราไม่ใช่จิตโกรธแต่ว่าความโกรธนั้นผ่านเข้ามาแล้วจิตเป็นคนไปเห็นมันเข้า ค่อยๆฝึกนะจนกระทั่งจิตมันถอยออกมาเป็นคนดูได้นั่แหละที่เรียกว่าจิตมีความตั้งมั่นขึ้นมาแต่โตที่จิตถอยมาเป็นคนดูเนี่ยห้ามจงใจนะให้รู้ทันเรื่อยๆไปเวลาจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลได้รู้มันจะกลับมาเองแต่ถ้าเราจงใจให้มันตั้งเนี่ยมันจะแน่นจะแน่นขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยทำผิดละถ้าเมื่อไร่จิตแน่นนะจิตเป็นอกุศลนะที่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยจะเบาจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวถ้าจิตแน่นปึกๆเนี่ยเป็นจิตอกุศล เนี่ยต้องเรียนนะเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องสําคัญมากเลยถ้าเราไม่ได้ศึกษาถึงจิตถึงใจเรานะเรานึกว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ความจริงเรากําลังทําอกุศลอยู่นะทำอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเนะื้อาอกุศลที่เกิดแล้วให้ชํชนานีชานาญเช่นเราฝึกนะหายใจเราก็ไปจับเพลินอยู่กับลมหายใจจับอยู่กับแสงสว่างจิตมีราคานะไม่เห็นเลยว่าพอใจในความสุขความสงบเราไม่เห็นว่าจิตมีราคะปฏิบัติทีไรก็มีแต่ราคาทุกทีเลย หรือลองมือปฏิบัติที่ไรก็เครียดทุกทีเลยจะยกเท้าย่างเท้าอะไรเครียดไปหมดเลยอยู่ดีๆก็ไปทําจิตให้เครียดนะจิตที่เครียดเป็นจิตอกุศลนะแทนที่จะว่าปฏิบัติแล้วจะได้บุญได้กุศลปฏิบัติแล้วกลายเป็นว่าไปทําอกุศลให้เกิดถ้าจิตเราเครียดจนเคยชินนะเครียดไปหมดเลยจ้องไว้นะจะเครียดเครียดจิตเคยชินกับความเครียดอันตรายมากตกนรกนะเพราะจิตที่เครียดเป็นจิตที่มีโทสะนะ นันต้องระมัดระวังให้มากนะต้อเรียนเรื่องจิตต้องเรียนให้ดีเลยไม่งั้นเราจะไปหลงทำอกุศลอยู่เราคิดว่ากําลังทํากุศลอยูนะ่ตัวนี้ร้ายมากเลยนะนักปฏิบัติจํานวนมากเลยที่ภาวนาแล้วเครียดภาวนาแล้วสติแตกเป็นภาวนาแล้วเป็นบ้านะเพราะไม่รู้หลักนะไปเค้นจิตมากบังคับจิตมากอยู่เครียดเลยนะถ้าใครทําอย่างนีน้เลิกซะนะเราจะได้ไม่ต้องกล้ํามไกลไปตามโรงพยาบาลบ้านะ แล้วหมอโลกจิตนบ่นมากเลยว่าไม่ชอบพวกปฏิบัติปฏิบัติแล้วบ้าคนเรียนกับหลวงพ่อไม่มีบ้านะมีแต่คนบ้ามาเรียนเรียนสักพักหนึ่งหายก็มีนะแต่ถ้าเป็นบ้าเพราะระบบประสาทเนี่ยต้องไปกินยาเป็นเรื่องทางร่างกายแต่ถ้าบ้าทางจิตทางใจนะจิตมีสติขึ้นมาม่หายนี่เราต้องมาฝึกนะให้จิตใจอยู่กันเน้อกับตัว วิธีให้จิตใจอยู่กับตัวทํำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปเพ่งเช่นรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้ลมหายใจอยู่จิตไปจับนิ่งๆิ่งอยู่ที่ลมหายใจเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นต้องฝึกนะทุกวันขอเวลาสัก15นาทีนะทุกวันเราแบ่งเวลาถวายพระพุทธเจ้าสัก15นาทีไหว้พระสวดมนต์นะสักสองสนาทีสักหนาที เวลาที่เหลือเนี่ยจะทํากรรมฐานอะไรก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้นะจะรู้ลมหายใจก็ได้จะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้กรรมฐานอะไรก็ได้นะแต่ว่าไม่ใช่ทํากรรมฐานนั้นแล้วเพื่อให้จิตสงบอยู่กับกรรมฐานนั้นทํากรรมฐานอย่างนั้นแล้วเพื่อจะรู้ทันจิตอย่างเราขยับเนี่ยจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตมาเพ่งใส่มือแล้วเรารู้นะ เราดูท้องพองยุบจิตนี้พิคิดเรารู้จิตเพ่งอยู่ที่ท้องเรารู้เนี่ยฝึกอย่างนี้ให้มากนะถ้าฝึกได้มากๆต่อไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยงานต่อไปของเราก็ถึงขั้นสุดท้ายแล้วคือขั้นของการเจริญปัญญาใช่มหลวงพ่อสอนมาตามลําดับนะขั้นแรกเราต้องมีศีลก่อนวิธีจะมีศีลก็คืออาศัยสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดถ้ากิเลสเกิดเรารู้ทันปุ๊บกิเลสจะดับเองนะศีลจะเกิดเอง ไม่ต้องผิดศีลไม่มีทางผิดศีลเลยนะอาศ right er ัยสติเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนเราจะได้สมาธิถัจากนั้นเราก็อาศัยสติอีกแหละพอจิตเรามีสมาธิแล้วนะเรามีสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายมีสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจเห็นร่างกายมันทํางานใจเราเป็นคนดูเห็นจิตใจมันทํางานเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเราเป็นคนดูเฉย นะใช้หลักที่พุทธเจ้าสอนเลยนะว่าพิสูจน์ทั้งหลายหายใจออกนะก็รู้นะหายใจเข้าก็รู้เนะี่ยง่ายๆนะเลยพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่นะเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งนอนอยู่ก็รู้ว่านอนคือรู้สึกตัวอยู่เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนใจของเราเป็นแค่คนดูเป็นแค่คนรู้สึกเราแค่รู้สึกถึงว่าร่างกายมันเคลื่อน Ganz, ไหว misschien. เปลี่ยนแปลงใจเราเป็นคนดูอยู่มันจะเกิดความรู้สึกที่แปลกขึ้นมา จะรู้สึกว่าร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันนะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราและจะกลายเป็นแค่เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนวัตถุที่เคลื่อนไหวอย่างหนึ่งใจเราเป็นคนดูที่สบายๆมันจะล้างความเห็นผิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวเราได้นะต่อไปดูมากเข้ามากเข้านะยอดสติปัญญามันจะแก่กล้าไปตามลำดับมาดูที่จิตใจก็ได้นะจิตใจที่มีความสุข ถ้ามีความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ทันนะใจเราเป็นแค่คนดูเราก็จะเห็นว่าความสุขกับจิตใจนี่ยเป็นคนละอันกันเหมือนอย่างที่จิตใจเราตั้งมั่นแล้วสติรู้ร่างกายเราเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันถ้าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่นะ้วสติไปรู้ความสุขความทุกข์มันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตใจเนี่เป็นคนละอันกันถ้าจิตใจเราตั้งมั่นอยู่สติไปรู้กิเลสทั้งหลายโรคกรดลงที่เกิดนะ จ, จิตใจตั้งมั่นอยู่มันจะรู้สึกเลยว่ารอบกรดหลงกระจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันไม่ใช่เราละมันไม่ใช่เราแล้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันเป็นสิ่งที่แปลปลอมมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองนะจะค่อยๆเห็นเลยก็ทั้งความสุขความทุกข์ ก, ก็ไม่ใช่ตัวเรานะ on, กุศลอกุศลรอบกรดหลงทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเรานะสุดท้ายจะเห็นแลกระทั่งจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยดู ง, ง่ายนะคนนอกศาสนาพุทธเขาก็เห็นเนี่ยพระเจ้าท่านว่าอย่างนี้นะ ปุถชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่การที่จะเห็นว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราเนี่ยากนะอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่อยๆมาสังเกตให้ใจเราเป็นคนดูให้ได้ก่อนนะแล้วความสุขความทุกข์มาเราเห็นว่าความสุขความทุกข์มันไม่ใช่ใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากิเลสมาก็เห็นอีกกิเลสก็ไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ใจเราเป็นสิ่งที่แปรปลอมเข้ามาชั่วคราวจิตเป็นคนไปรู้เข้าแล้วเราก็มารู้ทันจิตนะ จิตที่ดีก็อยู่ชั่วรคราวจิต ท, ที่ชั่วก็อยู่ชั่วรคราวจิต ท, ที่สุขก็อยู่ชั่วรคราวจิตที่ทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตทุกชนิดอยู่ชั่วรคราวหมดเลยนะเราค่อยๆฝึกอย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีนะเป็นวิธีที่เราจะเรียนรู้กายเรียนรู้ใจหลวงพ่อบอกแล้วว่ากายกับใจเราเนี่ยคือตัวทุกข์เรียนรู้ทุกข์นะวันหนึ่งเนี่ยจิตมันเข้าใจตัวทุกข์แจ่มแจ้งคือมันเข้าใจความจริงของร่างกาย เข้าใจความจริงของจิตใจรู้เลยว่าร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกนะเป็นสิ่งที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกนะยืนเดินนั่ง น, น, นอนเปลี่ยนอีเรียบดเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะถูกความทุกข์บีบคั้นทั้งนั้นเลยนะงั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายนะเราจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นตัวทุกข์แท้ๆเลยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราจะทดสอบ นะเราจะทดลองความจริงดูว่าร่างกายจะเป็นตัวทุกข์จริงไหมลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆอย่าหายใจออกนะหายใจเข้าเรื่อยๆสักสิบนาทีดูซิไหวไหมไม่ไหวทำไมอ่ะหายใจเข้าแล้วทุกข์ไหมทุกข์แล้วเราทำยังไงเราหายใจออกหายใจออกเพื่ออะไรเพื <please S 2> ่อแก้ทุกข์ใช่หหายใจออกไปเรื่อยๆแล้วทุกข์อีกแล้วใช่ไหมก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ ทำไมเรานั่งอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้ถ้าพักนึงก็ต้องเปลี่ยนอิทธิบาตเพราะว่ามันทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์ใช่ไหมเดินมากๆก็ทุกข์นอนมากๆก็ทุกข์ต้องพลิกไปพลิกมาเนี่ยความทุกข์มันบีบคั้นร่างกายเราอยู่ตลอดเวลานะทั้งหลับทั้งตื่นทั้งวันทั้งคืนคนไม่มีสติคนไม่มีปัญญามันเห็นว่าร่างกายเป็นของดีของวิเศษแต่คนมีสติมีปัญญานะคอยรู้เท่าทันร่างกายอยู่เรื่อยจิตเป็นคนดู นะร่างกายนี่โอ้มีแต่ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยนี่พอเห็นอย่างนี้ต่อไปมันจะไม่ยึดถือนะมันจะหมดความยึดถือในร่างกายร่างกายไม่ใช่ของดีของไม่ดีจะยึดทำไมใช่ไหมพอเรารู้จิตมันรู้จริงนะว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์จิตไม่ยึดร่างกายล้ต่อไปร่างกายมันแก่อะไรแก่ตัวทุกข์มันแก่ร่างกายมันเจ็บ ตัวทุกข์มันเจ็บใช่ไหมร่างกายมันตายตัวทุกข์มันตายตัวทุกข์มันตายสมน้ําหน้ามันใช่ไหมถ้าตอนนี้ตัวดีของเราแก่เราก็กลุ้มใจแล้วต้องหาอะไรมาทาหน้าใช่ไหมดึงหน้าอะไรกันยุ่งหุ่นบ่อยนะตัวนี้มันเจ็บมันตัวเราของเราของพิเศษไหก็ครุ่มใจใช่ไห ม, ม, ไหมตัวนี้จะตายก็กลุ่มใจนี่เรามามีสตินะเราคอยรู้ทันร่างกายของเราอยู่ในเนืองๆใจเราเป็นแค่คนดูเรื่อยๆไปไม่นานเราก็จะเห็นเลยร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์ทั้งนั้นเลย นั้นถ้าเรารู้จริงตัวนี้นะความยึดถือในร่างกายจะค่อยๆหมดลงถ้าหมดความยึดถือในกายนะจะได้พระานาคามีนะจะได้ถึงพระานาคามีมันจะไม่ยึดร่างกายแล้วต่อไปร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายนี่จิตไม่หวั่นไหวเลยนะจิตไม่เศร้าหมองเลยนะต้อฝึกไปเรื่อยนะมาดูจิตดูใจก็ได้ต่อไปก็ฝึกมารู้ทันจิตใจของเรานะคนไหนถนดัดเริ่มต้นดูกายก่อนก็ดูร่างกายไปเรื่อยเห็นร่างกายเป็นแต่ก้อนทุก เห็นร่างกายไม่เที่ยงหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยนี่ไม่เที่ยงมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่วัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ธาตุมันไหลเข้าไหลออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายมีแต่เรื่องของก้อนธาตุเท่านั้นเลยดูไปดูไปนะมีแต่ของไม่ดีมีแต่ของเป็นภาระ ถ้าเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่ดีเป็นภาระนะใจจะไม่ยึดถือกายนะต่อไปใจจะปล่อยร่างกายแกร่ร่างกายเจ็บร่างกายตายใจไม่หวั่นไหวเลยนะของไม่ดีมันจะตายจะหวั่นไหวทำไมถ้าของดีจะตายสิมันถึงหวั่นไหวทุกวันนี้มันยังเป็นของดีอยู่ใช่ลองนั่งดูเรื่อยๆแล้วจะรู้เลยไม่ใช่ของดีเป็นตรวจทุกนะครรู้สึกในกายด้ว ย, ด, วยดูใจก็ดูไปด้ยนะถ้าคนไหนถหนัดดูจิตใจก็ดูจิตใจไปเห็นเลยว่า จิตใจมีความสุขนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจที่มีความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตใจที่ดีนะอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายยังอยู่บ้านอยากมาฟังเทศมาฟังเทศหน่อยหนึ่งอยากกลับบ้านไหมจิตที่อยากฟังธรรมเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลใช่ไหมจิตที่ขี้เกียจฟังธรรมเป็นจิตอาคุศลมันเกิดแล้วนะกุศลจิตที่เป็นกุศลอยู่ประเดียวเดียวเองจิตอาุศลอยู่เยอะเลยเกิดบ่อย เนี่ยดูกลงไปเรื่อยนะทุกอย่างในจิตใจเราเนียความสุขความทุกข์ทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายในใจเราเป็นของชั่วคราวนะร่างกายดูง่ายนะว่าเป็นตัวทุกข์จิตใจจะดูได้ง่ายว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของบังคับไม่ได้เราสั่งจิตใจเราให้มีความสุขได้ไหมสั่งลองสั่งจงมีความสุขเนี่ยมันไม่เชื่อเลยอย่าทุกข์นะมันไม่เชื่ออย่าคิด มีไหมอยากคิดเคยคิดหมว่าอย่าไปคิดมาเลยเรื่องนี้แล้วคิดไหมคิดเพราะอะไรเพราะสั่งไม่ได้ตรงที่สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นี่แหละคำว่าอนัตตาไม่อยู่ในอานาจบังคับนะทีนี้เราจะเห็นร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ชัดนะดูง่ายจิตใจดูเป็นตัวไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูง่ายเพราะมันเปลี่ยนเร็วนะร่างกายเราเนี่ยกว่าจะดูให้ไม่เที่ยงดูนานนะ ดูมาตั้งเป็นเดือนแล้วหน้ายังไม่เหี่ยวเลยตีนกายังไม่ขึ้นอย่างนี้นะแต่จิตใจนี่จะเปลี่ยนเร็วมากเลยแป๊บแป๊บปปบตลอดเวลานะดูไม่เที่ยงง่ายแล้วดูอนัตตาง่ายคือเราสั่งมันไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้นะห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์เขไม่ได้เนี่ยดูเข้าไปด้ต่อไปปัญญามันเกิดนะมันจะรู้เลยจิตใจมันไม่ใช่ตัวเราเราสั่งมันไม่ได้จริงๆนะถ้าเราเห็นว่าจิตใจไม่ใช่เราจะได้พระโสดานะ แต่ถ้าเห็นร่างกายไม่ใช่เราเนี่ย <Mad ness> ปฏิบัติแป๊บเดียวก็เห็นแล้ถ้าใจตั้งมั่นเป็นคนดูนะจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราเป็นปูทุชนอยู่เนี่ยเห็นได้แต่ตรงที่จะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเนี่ยต้องเป็นพระโสดา บ, บันนะคือจะเห็นจริงนะแ้วหลังจากนัน้นจะรู้สึกเลยดูเข้ามาเนี่ยจะไม่มีเราตรงไหนเลยในกายนี้ไม่มีตัวเราในใจนี้ไม่มีตัวเราแล้วไม่มีตัวเรามีแต่ตัวอะไรมีแต่ตัวทุก์ร่างกายนี้เป็นก้อนทุกนะจิตใจนี้ก็เป็นตัวทุกนะหาความสงบสุขอะไรที่แท้จริงไม่ได้เลย เนี่ยเเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะเห็นในยกายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ถึงจุดสุดท้ายแนละ้วมันจะสลัดจิตมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกพวกเราที่ฟังซีดีหลวงพ่อบ่อยๆแล้วหัดภาวนาหัดดูเรารู้สึกไหมว่าจิตกับอารมณ์เนี่ยแยกออกจากกันได้ใครเห็นบ้างแล้วว่าจิตกับอารมณ์แยกกันได้ยกมือให้หลวงพ่อดูสิรู้สึกไม้มเวลามันเข้าไปเกาะกันแล้วมันมีความทุกข์ใช่ไหม เวลามันหลุดออกมามันสบายใช่ไหมนี่แค่จิตกับอารมณ์นะถ้าจิตมันปล่อยกายมันจะสูงกว่านี้อีกไม่ใช่แค่ปล่อยอารมณ์อารมณ์มันของนอกนะอารมณ์เป็นของฝ่ายนอกเท่านั้นเองแต่ถ้ามันปล่อยกายได้เนี่มันจะมีความสุขกว่านี้อีกและถึงจุดสุดท้ายถ้ามันปล่อยจิตได้นะมันสลัดคืนจิตให้โลกได้นะมันจะสุขจนไม่รู้จะสุขยังไงเลยนี่แหละชีวิตที่เปี่ยมสุขหละถ้าทําให้ถึงตัวนี้ไม่เปี่ยมสุขหรอกเปี่ยมแต่ทุกข์นะ เพราะฉะนั้นเราอย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขถ้าเราไม่ได้ภาวนานะทำทานทุกวันทุกวันก็ไม่พ้นทุกข์หรอกรักษาศีลรวดไปเลยนะก็ไม่พ้นทุกข์นะนั่งสมาธิให้ตายก็ไม่พ้นทุกข์หรอกแต่อาศัยทำทานรักษาศีลทำสมาธิฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กันตัวกันตัวแล้วมันเจริญปัญญา เห็นความจริงร่างกายไม่ใช่ของดีเลยร่างกายเป็นตัวทุกข์เห็นความจริงจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงของบังคับไม่ได้เห็นตรงนี้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจอย่างนี้ถึงจะพ้นทุกข์ได้นะนี่เป็นทางที่เราจะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะเมื่อไหรพ้นทุกข์เมื่อนั้นมีความสุขอย่าไปหวังว่าจะมีความสุขเพราะว่าเราไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริง ความสุขในโลกเป็นความสุขหลอกๆนะความสุขที่แท้จริงมีอันเดียวคือความสุขของพานิพานกระทั่งความสุขของฌานสมบัติก็เป็นของเด็กๆนะเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็เสื่อมไม่เหมือนความสุขของพานิพานเพาะฉั้นพวกเราจะหาชีวิตที่มีความสุขเราหาไม่ได้เพราะชีวิตเราเต็มไปด้วยความทุกข์เรียนทุกนะเรียนรู้ทุกไปจนวันหนึ่งจิตมันพ้นจากตัวทุกนะมันสลัดคืนกายคืนใจให้โลกเรียกมันพ้นทุกได้ พนจากกายพ้นจากใจได้เราจะเจอความสุขของฟันิาพานนะั่นแหละสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนั้นนะงั้นทุกวันนี้อย่าไปหาเลยความสุขมีแต่ความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปเราลงทุนลงแรงตั้งมากนะเพื่อจะหาความสุขแล้วก็ไม่ได้มาจริงบางคนจะเที่ยววิ่งจีบสาวนะคิดว่ามีเมียสักคนเนึ่งจะมีความสุขได้มาแล้วมันก็อยากจีบคนอื่นอีกแล้วใหญ่คนนี้ไม่เอาละนะไม่อยากได้แล้ว ใ, ใจมันอยากเพิ่มความอยากมันมีความอยากเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสอันดีแล้วที่ได้ฟังธรรมต่อไปนี้นะเราคอยรู้สึกตัวไว้นะกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันถ้าจิตเราหนีไปคิดหรือจิตเราหนีไปนิ่งแช่อยู่ที่ใดที่หนึ่งคอยรู้ทันนะแล้วก็คอยดูกายมันทำงานคอยดูใจมันทำงานเวลา จิตมันตั้งมั่นแล้วนะไม่ไหลไปแล้วจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานเรื่อยๆไปถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดกายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแต่กายเนี้จะเห็นตัวทุกข์ได้ง่ายนะจิตจะเห็นไม่เที่ยงง่ายเห็นอนัตตาง่ายถ้าเราเห็นไปด้วยนะสุดท้ายมันจะคลายความยึดถือไปพระเจ้าท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เพรเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายความยึดถืนอนั่นแหละเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพระมหาจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเสร็จแล้วจบแล้วกิจที่ต้องทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกงานในทางธรรมะมีที่สิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลกไม่มีที่สิ้นสุดนะธรรมหากินไปได้มากก็ใช้ไปก็ต้องทำมาหากินอีกได้มาก็ใช้ไปนะ ร่างกายเราก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะภาระทั้งนั้นเลยตื่นเช้าก็ต้องล้างหน้าใช่ไหมล้างแล้วเราก็เลิกล้างเลยได้ไหมชาตินี้ไม่ต้องล้างอีกแล้วหน้าก็เป็นข้าวมันไก่เลยดูไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยกินข้าวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องกินอีกแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเลยงานทางโลกนะไม่มีที่สิ้นสุดนะแต่งานทางธรรมมีที่สิ้นสุดงั้นเราจะเอาของจริงหรื อ, อาของปลอมก็เลือกเอาเองก็แล้วกันนะ อันนี้เทศมาก็45่านาทีพอสมควรละเทศนานกว่านี้พวกเราจะฟังไม่ไหวสมองของคนเราปกติรับข้อมูลทีหนึ่งได้45่านาทีดีที่สุดมากกว่านี้ไม่ได้เรื่องแล้นะงั้นหลวงพ่อจบแค่นี้แหละกราบนมัสการหลวงพ่อครับคือผมปฏิบัติแบบพิจารณาลมหายใจที่เป็นการตามรู้ตามดูนะครับแล้วก็จิต ไหวไปก็ตามที่ท่านหลวงพ่อได้แนะนําสั่งสอนนะครับขณะนี้จิตเป็นปกติไหมตอนที่พูดกับหลวงพ่อนี่คือจิตไหลออกนอกไปหาหลวงพ่อครับเออแล้วบังคับให้นิ่งอยู่ไหมก็มีบังคับให้นิ่งอยู่บ้างครับให้รู้ทันนะครับตอนนี้เรียกว่าจิตออกนอกจิตไม่เข้าฐานปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้นะปกติไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับใช้ได้แต่ว่าพอพิจารณาลมาใจพอจิตตั้งมั่น แล้วมันจะมีความรู้สึกว่าพอจะเดินปัญญาต่อแล้วมันจะงงสับสนมันจะกลับวกไปเวียนมาคือการเจริญปัญญาเนี่ยเบื้องต้นเลยต้องแยกรูปนามให้ได้ก่อนถ้าแยกรูปนามแยกกายแยกใจไม่ได้นั้นเดินปัญญาไม่ได้จริงนะเพราะฉะั้นเมื่อเราทําสลมหายใจนะค่อยๆสังเกตไปร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆสุดท้ายหเห็นร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกัน ร่างกายกับจิตเป็นคนลาอันกันแล้วก็ดูมันทํางานเหมือนดูคนอื่นแลนะไม่ไม่นานจะเห็นในร่างกายไม่ใช่ตัวดีตัวพิเศษเดินปัญญาต่อดูกายไปถ้าทําสมาธิมากๆแยกกายกับจิตออกจากกันก่อนแล้วก็ดูมันแต่ตอนที่แยกอย่าจงใจแยกนะถ้าจงใจแยกจิตจะแน่นๆถ้าจิตแน่นเมื่อไหร่แสดงว่าทําผิดแล้วล่ะจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมศักดิพอครับ เมื่อหกเดือนที่แล้วผมไปส่งกันบ้านหลวงพ่อที่การบินไทยนะครับตอนนั้นประมาณว่าสติผมมันจะ้าทั้งวันทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยแล้วก็เหนื่อยมันงพ่อบอกว่าเดินปัญญาทั้งวันคืนหลวงพ่อบอกว่าให้ผมไปทําสมถะผมใช้อานาปานสติตอนนี้ผมเข้าใจว่าผมตั้งมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มาส่งกันบ้านหลวงพ่อแล้วก็ขอกันบ้านครับขอบคุณครับ เมื่อจิตเราอยู่กับเน้อกับตัวแล้วนะก็เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาต่อละนี่เห็นไหมร่างกายพยักหน้านะแต่ว่าจุดนี้ต้องระวังอันหนึง่งอย่าไปประคองตัวรู้เอาไว้นะตัวรู้รเองก็ต้องให้มันเกิดดับเกิดดับไปตามธรรมชาติครับถ้าเรารักษาแล้วก็รู้ตลอดก็ของปลอมอีกนะครับรู้สึกไหมขณะนี้มันมีตัวหนึ่งที่นิ่งอยู่ครับเออตัวนี้ต้องไม่รักษามันนะ ถ้าปกติมีไหมตัวเนี้ยมีครับแต่ว่าผมมันมันมันสวิงไประหว่างเขาก่อนที่ผมไปส่งกันบ้านหลวงพ่อมันเป็นมันประมาณว่าปัญญามันมันจ้าตลอดมันมันทั้งตอนตอนหลับก็เห็นก็ตอนนี้มันกลับไปข้างหนึ่งแล้วเมันนิ่งอีกแล้วเออนะเพราะพอมันนิ่งพอสมควรแล้วก็ออกมาเดินปัญญาเดินปัญญาจนมันฟุ้งไปแล้วนะทําความสงบกับพ่อมามา การมาสการหลวงพ่อนะครับขอโอกาสถามนะครับเมื่อเรารู้แจ้งนะครับว่าร่างกายเรานี่คือขันห่านะครับหลวงพ่อซึ่งไม่ใช่ตัวตนเราไม่ใช่ของเราอย่างเี้ครับผมสงสัยว่าเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรในในธรรมครับว่าสมมติผมเราหงอกเราควรย้อมไหมเ ร, เราควรทาครีมไหมหรือว่าเมื่อเราเป็นเบาหวานเราเป็นโรคอย่างเงี้ยครับเราต้องกินยา ไปตลอดไหมเมื่อเราสลัดแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราก็ปล่อยไปตามยะถากรรมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับหลวงพ่อพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างนั้นนะร่างกายเนี่ยที่เราได้ร่างกายที่สมบูรณ์มาเป็นผลของบุญนะในวิบากเมื่อมีร่างกายแล้วเนี่ยเอาร่างกายมาสร้างคุณงามความดีไม่ใช่ว่าใช้มันแล้วก็ทําลายมันนะปล่อยมันทิ้งไม่ใช่ทําไมพระพุทธเจ้าถึงเวลาก็ไปฉันข้าวอะนะไม่ได้ปล่อยทิ้งไม่ต้องฉันข้าว ถึงเวลาก็ต้องนอนทําไมต้องนอนนะใช่ไหมเพื่อให้ร่างกายเนี้ยอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สุดโต่งถึงขนาดว่าไม่ใช่ตัวเราเราปล่อยมันชิงไปนะถ้าอย่างนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรนะแต่มีนะนักปฏิบัติบางท่านนะถ้าท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วนะท่าเห็นว่าท่านไม่ได้ทําอะไรต่อล้ไม่มีภาระนะท่านก็ปล่อยเลยก็มีเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่เนี้ยท่านแก่มากแล้วหรือใกล้จะตายแล้วนะอย่างพระเจ้าสุดโทธนะอะไรเงี้ยนะ บัตรู้พระรหัรแล้วก็นิพานไปเลยแต่ว่าถ้ายัางมีเรี่ยวมีแรงจะทำประโยชน์ได้อะไรก็รักษาธาตุขันเอาไว้ทำประโยชน์ของคุณนะภาวนาดีนะขันก็แยกแล้วไปหัดทำต่อไปอีกขอบคุณครับการนมัสการพระอาจารย์ค่ะออตอนแรกอะค่ะก็คือโยมีปัญหาเรื่องการติดคำบรีการมามาค่ะหลังจากนั้นพอนั่งสมาธิไปเนี่ยก็เพียร ที่จะเป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นนะคะแต่ว่าเราก็เห็นการประคองของจิตที่มันเยอะไปแล้วเราก็คือรู้เท่าทันเมื่อมันเริ่มประคองเราก็ปล่อยอะคะ่ะเออพอสภาวะเนี่ยเริ่มแยกธาตุแยกขันนะคะเกิดเป็นสภาวะธาตุดินน้ําลมไฟเกิดขึ้นมาตอนแรกเนี่ยคือมันร้อนมากร้อนไล่ขึ้นมาปุ๊บความเย็นก็ไล่ขึ้นมามแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นตัวเบาแล้วมันก็เป็นแข็งแข็งเป็นก้อนๆค่ะ กำหนดแข็งก็ไม่หาย<ม>พอบอกบอกว่าเป็นธาตุดินอ๋อธาตุดินมันก็หายดับใชอย่างนั้น<ม><ม>บางสภาวะในเจดวันนี้ค่ะก็จะเป็นแบบ เ, เวทนาปวดทรมานมากแต่จิตใจนี้กลับจะสบายขึ้นมาใช่ยังนั้นคือคือมันกลับกันไปหมดนะคะบางสภาวะแยกได้นะก็เห็นนะ<า>ว่าเวทนานก็สวยเวทนา ม, มันไม่ใช่จิตนะค่ะไม่ใช่กายไม่ใช่จิต พอหลังจากนั้นนะคะ่ะบางบรรลังอะคะ่ะลงหายใจเนี่ยมันก็เกิดจะหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนไปข้างหน้าหุนแล้วก็รู้ไปบางทีมันลมหายใจก็ไม่มีแต่บางทีถ้าโผล่ขึ้นมาเราก็รู้ทันจนมันหุนแล้วก็เอ๊ะอ๋อไม่เที่ยงหนอมันก็ดับซะอย่างนั้นนะคะ ล, ลงหายใจกลายเป็นไม่รู้เนี่ยระหว่างอันหนึ่งอย่าให้จิตเคลื่อนไปรู้นะเวลารู้ว่าบางทีเรียงรู้ลมนะลมไปท่านั้นลมอเนนี้จิตมันเคลื่อนตามไปด้วยนะ ถ้าดูสบายๆเห็นมันทํางานปใจเราอยู่ต่างหากนะไม่งั้จะถล่มไปถลํา ม, มากไปค่ะค่ะแล้วก็พอในบางบรรลังอะค่ะเวทนาที่ขากับเริ่มเบาบางกลายเป็นบริเวณที่ศีรษะแล้วก็แขนเนี่ยเราก็จะเห็นเวทนาว่าเวลามันปวดเนี่ยและความเบาคลายเนี่ยมันจะเท่าลงมานิดนึงปวดปุ๊บพอเบาปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็แทรขึ้นมาเป็นจังหวะรับส่งต่อๆต่อๆกันพอดีจะเป็นอย่างนั้นเลย ค่ะบางทีมันก็ดับไปจนหมดนะคะ<ม>แต่ว่ามันจะมีเอาบรลังท้ายๆค่ะตอนที่เดินจงกรมมาฮะเริ่มมีความรู้สึกนุ่มๆอยู่ที่จมูกคล้ายๆเหมือนเป็นขนนะคะนุ่มๆอยู่ตรงจมูกนุ่มอยู่อย่างนั้นนะคะ<ม>ก็เดินไปตอนนั้นเนี่ยคําบริกรรมมันก็ไม่มีแล้วเ<ม>พราะรู้สึกว่าถ้าพยายามเนี่ยมันหนักแล้วก็ประคับประคองก็ทิ้งไปก็รู้ๆไปอะคะ่ะจนไปนั่งแล้วก็มันก็นุ่มอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆอย่างอื่นมันไม่มี<อ>ไม่มีนนะลงใจงถ้าอยาก ก้าวหน้าเร็วว่านี้นะค่ะรู้ทันเข้ามาที่จิตเลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปที่จิตนะยินดียินร้ายอะไรเนี้ยรู้ทันเข้ามาตรงนี้เลยอันนั้นเป็นของนอกๆทั้งหมดเลยค่ะกิเลสไม่ได้อยู่ตรงนั้นกิเลสยังอยู่ที่จิตเนี่ยคนั่นรู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจอันนั้นเนี้ยเป็นของข้างนอกดวออกไหมตรงนี้ก็ข้างนอกตรงโน้นก็ข้างนอกแม้แต่ลมหายใจก็เป็นข้างนอกใช่ค่ะนะ แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดจงใจย้อนมาดูจิตนะแต่ให้รู้เลยว่าไอ้นี่ของนอกๆ ok ทั้นนั้นเลยแล้วถ้าจิตมีความสุขก็รู้ทันจิตทุกก็รู้ทันจิตยินดียินร้ายรู้ทันจิตสงสัยว่าจะดูอะไรดีนะรู้ว่าสงสัยรู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยะอันนั้นเป็นของนอกทั้งหมดเลยค่ะคือบางสภาวะเนี่ยมันก็เจ็บมากแล้วก็บางสภาวะ<ม>พอเวทนาหายเนี่ย<ม>หายแล้วนะคะแต่จิต<ม>ทรมานควรเป็นสว่าเลยค่ะ คือดิ้นอยู่อย่าง น, นั้นน่ะนะดูไปมันไม่ใช่จิตเราหรอกจิตเป็นคนไปรู้มันเข้านะเพราะฉะนั้นให้รู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันสภาวะทั้งหลายก็เราแค่สักว่ารู้ว่าเห็นแต่เมื่อสักว่ารู้ว่าเห็นแล้วเนี่ยจิตยินดีจิตยินรายรู้ทันมันเข้ามาที่จิตเลยนะงั้นยังออกนอกอยู่ค่ะกลาบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ไปฝึกนะฝึกขยันได้ดีแล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้ามาที่จิต ครับนมัสการครับหลวงพ่ออยากจะให้หลวงพ่อช่วยตรวจให้หน่อยครับว่ายังอยู่ในร่องในรอยอะไรบ้างไหมครับรักษาศีลหรือเปล่าเหรใช่นะครับหลวงพ่อรักษาศีลได้ดีไหมก็มีดังปลอยครับเอานะก็อยู่ในร่องในรอยบ้างครับจิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวไหมก็ ม่อหลงบ่อยครับลงบ่อยครับหลงบ่อยก็ไม่เรียกอยู่ในร้องในรอยนะถ้าเรามีศีลมีสมาธิเราเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันอย่อย่างเงี้ยเรียกว่าอยู่ในร่องในรอยครับถ้าศีลเราก็ขาดสมาธิเราก็เสียอะไรเงี้ยล้วก็ภาวนาไม่ไม่ดีน้อยไปยังน้อยไปใช่ไหมครับแล้วหลวงพ่อตั้งใจให้เด็ดเดียวหน่อยอย่าตามโลกไปโลกไม่มีอะไรหลงโลกเยอะไปครับขอบพระคุณครับหลวงพ่อ เห็นไหมตอนส่งไม่ไหมใจเราหายไปไหนเออท่าอย่างนี้นะักสติมันก็วถี่ยิบเลยใครจิตฟุ้งซ่านบ้างยกมือสิโอสาธุน่าปลื้มใจเว่าฟุ้งซ่านแล้วรู้ว่าฟุ้งซ่านดีพระเจ้าท่านบอกนะจิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลดีน้ำส ก, กัดครับเป็นกุศลไม่รู้ว่ากุศลไม่ดีนะ จิตเป็นอากุสนไม่รู้ว่าเป็นอากุสลแย่ที่สุดเลยเป็นอากูุสลอย่างจิตฟุง้งซ่านเรารู้ว่าเป็นอากุสลดีนะไม่ใช่ไม่ดีไหนไหนอยู่ไหนนรัส ก, การครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับส่งกันบ้านครั้งที่แล้วเมื่อปีที่แล้วก็หลวงพ่อให้ไปดูจิตที่ถลำไปรู้ว่าลงครับเข้าใจว่าดูได้ได้มากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมครับผม เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วครับออพอดีว่ามีอารมณ์โกรธที่รุนแรงครับก็เลยก็เลยดูไปที่อารมณ์นั้นนะก็เห็นว่าพอพ อ, พอกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจเนี่ยความโกรธมันพุ่งขึ้นมา hmm. พอพุ่งขึ้นมาแล้วพอเข้าไปดูเนี่ยจากโกรธเนี่ยมันพลิกกลายเป็นลำคาญใจแล้วมันก็พลิกกลายเป็นหดหูเศร้าหมอง แล้วก็เฉยๆแล้วก็โกรธใหม่ออันนี้ยังไม่ทราบว่าคิดเองหรือว่ารู้สึกเมือนเปลี่ยนดีกรีมันนะครับจะเป็นหดหูจะเศร้าหมองอะไรเนี้ยตระกูลโทสะนี่ตระกูลเดียวกันน ะ, นะพลิกไปพลิกมาแต่ว่าเข้มข้นขึ้นมาก็โกรธมากอะไรอย่างนี้นะโกรธบางทีก็พลิกไปเศร้าหมองบางทีก็หดหูเพวานี้โทสะนะอย่างนี้ก็ใช้ได้ เราก็เห็นเลยโกรธก็ไม่เที่ยงหดหูก็ไม่เที่ยงเศร้าหมองก็ไม่เที่ยงที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดูออกเปลบาว่าขันมันแยกหรือยังก็ไม่ไม่แน่ใจว่าแย ก, แยกใช้ได้ดีเราต้องเพิ่มเติมส่วนไหนทำให้สม่าเสมอนะถ้าทำเป็นแล้วต้องทาสม่าเสมอดูขันเขาทำงานไปเรื่อยไม่เกี่ยวกวับเราเร า, เราบังคับเขาไม่ได้ขอบคุณนะครั บ, รบใช้ได้นะดี ครับนมันส ก, การครับหลวงพ่อคือผมก็ปฏิบัติธรรมมานานแล้วนะครับช่วงหลังๆนี้รู้สึกเวลานอนแล้วมันมันเคลิบเลิ้มหดหูครับช่วงหลังๆนี้เหนื่อยเหนื่อยจิตเหนื่อยใจเกือบตลอดเป็นมานานแล้วขอวิธีแก้จากหลวงพ่อหน่อยครับอย่าไปแก้มันสินะให้รู้ไปใจไม่เป็นกลางให้รู้ว่าใจไม่เป็นกลางรู้ไปดูเหมือนดูคนอื่นไป เราดูมันเหมือนเห็นเป็นคนอื่นนะไม่ใช่ตัวเราหรอกเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรยังตอนเหนื่อยใจเนะี่ยอยากอยากนะครับอยากให้มันหายเหนื่อยใจเนะี่ยมีวิธีทําง่ายๆไหมครับอยากอะไรนะอยากให้หายเหนื่อยใจให้หายอะไรเหนื่อยมันเหนื่อยใจให้หายเหนื่อยใจ เหนื่อยใจก็รู้ว่าเหนื่อยสินะใช่ครับรู้อยากก็รู้ว่าอยากรู้ครับก็รู้แล้วทำไมไม่หายไม่หายครับแสดงว่ามันไม่รู้เป็นกลางอ๋อครับนใจไม่เป็นกลางท่านเองใจไม่ชอบตอนตอนเรานอนนี่มันเคลิบเคลิ้มไปอ่ะครับนอนมันก็ต้องเคลิ้มแหละทำให้มันนิ่งสบายไม่ได้ใช่ไหมครับยังไม่ใช่ภูมของเราครับนะ ถ้าภ า, าวนามากกว่า น, นั้นนะเวลาร่างกายหลับเนะี่ยร่างกายก็หลับนะนี่จิตก็สว่างสบายอยู่นั้นสบายครับขอวิธีปฏิบัติเพิ่มได้ไหมครับมีอะไรที่ให้ไปรู้<า>ทันจิตที่ไม่เป็นกลางไว้ครับไปรู้ตัวนี้มากๆจิตยินดีกับสภาวะอย่างนี้ยินร้ายกับสภาวะอย่างนี้ให้รู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นนะครับรู้ไว ไม่ห้ามมันนะยินดีก็ได้ยินร้ายก็ได้แต่รู้ธรรมพวกเราเสังเกตไหมส่วนมากนะที่นั่งอยู่นียมีความสุขรู้สึกไหมมีความสุขแต่เผลอเพลินรู้สึกไหม <c oughs> ไม่ดีนะเกิดอีกยังเกิดอีกนะถ้าอย่างนั้นนะ <c oughs> เพลินเผลอเพลินนั่นนันทราคะเผลอเพลินแต่ว่าเพลินไปในจิตที่เป็นบุญเป็นกุศล น, นะถ้าไปเป็นเทวดา วันหนึ่งก็ร้องราทําเพลงมีความสุขอย่างนี้ขอโอกาสครับผมจริตเดี๋ยวผมควรจะดูอะไรครับและควรจะชี้โมโหหรือเปล่าเป็นคนชี้โมโหไหมนะใครรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจเราจิตใจเราเป็นสุขก็รู้จิตใจเราเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยเฉยก็รู้นะของคุณเป็นคนช่างคิดนะจริตนิสัยถ้าคนช่างคิดให้ดูจิตเรา จิตดีก็รู้จิตร้ายก็รู้นะไม่ใช่ว่าต้องดีนะรู้อย่างที่เขาเป็นรู้บ่อยๆควรใช้อะไรเป็นวิหารธรรมใช้จิตไงเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะแต่ว่าท่านเหนื่อยๆขึ้นมาก็กลับมาอยู่กับพุทธโธลมหายใจอะไรก็ได้นะแล้วทำความสงบเป็นช่วงๆไปพอ ม, มีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ทำได้หรอกนะทำค่ะอยากจะถามพระอาจารย์นะคะว่าตอนนี้ยังอยู่ในเส้นทางสัมมาทิฏฐิอยู่หรือเปล่าคะสัมมาทิฏฐิเกิดกับพระโสดาบันอ๋อก็อยังไม่ถึงคะคะเพียงแต่ว่าจะเป็นแนวนั้นหรือเปล่าค่ะมีศีลไหมมีคะ่ะถ้ามีศีลก็อยู่ในทางละจิตใจอยู่กันเน้อกัตัวบ่อยไหมล่ากก็อยู่คะ่ะถ้าอยู่ก็อยู่ในทางนละ อยู่นอกทางหมายถึงว่ามันไม่ไปนิพพานนะไม่ใช่ทางไปนิพพานอยู่ในทางก็คือมีทางของศีลทางของสภาวะที่จิตตั้งมั่นแล้วสภาวะของการเดินปัญญาเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นโคนละอันเห็นค่ะเห็นถูกต้องแล้วค่ะต่อไปนี้ดูบ่อยๆแต่ว่ามันมีโทสะแทรกบ้างไหม มีคืคอรู้ตัวนั้นแหละเมื่อปีที่แล้วนี่แบบทุกลำเค็นเพราะว่าจะเป็นปฏิฆะตลอดจ น, ออนมันเห็นอกุศลจิตตนแบบ ม, มันรับไม่ได้ลเลยให้รู้ทันโทสะนั่นแหละนะเรายังรู้ยังไม่เป็นกลางโทสะแทรกไม่จําเป็นต้องแผ่เมตตาจะให้ดูมันถ้าถ้าดูแล้วมันก็ยังสู้ไม่ไหวก็ไม่แผ่เมตตา การเมตาเปอุบายคนะทําให้จิตสงบได้จริงๆที่โยมคิดคืออย่างนี้ใช่ไหมคะคือถ้าสมมติว่าสู้ไหวสู้เลยจนกว่ามันจะเห็นการเกิดดับหรือไม่เห็นก็เป็นแค่ดูแต่ถ้าสมมติมันไม่ไหวจริงๆเราใช้แผ่เมตตาในการช่วยให้เราไม่ถูกกิดไปแผ่เมตตาทําได้ทุกวันก็ดีนะะทําให้จิตเรามีแรงสะก่อนเแล้วเวลาดูมันจะดูง่ายนะของโยมไปแผ่เมตตาแยะนะคแล้วโทสะมันแรงค่ะ แต่ที่ทําอยู่ก็ถูกใช่คะเส้นทางนี้ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ต้องไปแผ่เมตตาอีกแผ่เมตตาใช่ค่ะทำเรื่อยๆนี่น้าจะประหัดประหารค่ะเพียงแต่ว่าก็ทําแผ่เมตตาแล้วก็ทําเส้นทางอย่างนี้ไปตลอดไม่ขีดใช่ไหมคะขอบคุณค่ะนมัสการหลวงพ่อครับก็ที่ผ่านมาก็ระยะหนึ่งก็คือจะมีความแน่นความยึดกระทุกยึดเกี่ยวกับทางโลกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ พอเข้าไปยึดเนี่ยก็จะเห็นความแน่นแล้วก็อึดอัดก็เห็นจะผุดผุ ด, ผดมาที่บริเวณหน้าอกนะครับผุดขึ้นกลางหน้าอกนะเลยครับแล้วก็มาคืนนี้ก็คือเหมือนกับพอดีใจว่าหลวงพ่อจะมาก็นั่งสมาธิก็เห็นอาการจิตมันหยุดหลุดออกมาก็สบายโลง่ลงๆก็เห็นหลุดหลุดก็รู้นะครับไม่หลุดก็รู้ไม่ดึงให้หลุดหรอกครับ แต่ก็รู้ว่าตัวเอง ต, อ, งตอนนี้คือยังไม่เป็นกลางนะครับอืก็ขอคําชี้แนะหลวงพ่อครับเวลาเราปฏิบัตินะถ้าจิตมันกระจายกว้างๆไปสบายๆนะก็กลับมารู้สึกร่างกายไว้นะไม้มันจะกระจายกว้างไปไปกว้างออกข้างนอกไปกลับมาอย่างไรครับือกลับกลับมาอยู่อย่างไรกลับมา<ห> ค, บคอยรู้สึกร่างกายบ่อ ย, อยๆไม่แม้จะกว้างแล้วสบายอยู่นั้นนะมันจะไม่ยอมเดินปัญญา ต, ต่อ กลับมาดูกายไหมเห็นไห้ทั้งกายพยักหน้าครับเออกลับมารู้สึกอย่างนี้นะเงัอนใจจะกว้างออกข้างนอกไปครับดูออกไหมล่ะที่หลวงพ่อบอกอะเห็นใจมันนั่นแหละมันออกไปอยู่ข้างนอกหมดนะมันไม่กลับบ้านครับให้มันกลับบ้านนามัสการค่ะหลวงพ่อพอดีก็ฟังซีดีของหลวงพ่อค่ะ แล้วก็มีความรู้สึกคือแผ่นแรกๆที่แบบอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าฟังเล่นๆไม่ตั้งใจก็จะไม่เครียดนะคะพอหลังๆฟังไปปฏิบัติไปฟังตอบคําถามอะไรเงี้ยเริ่มเครียดนะคะ<อ>แล้วก็ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่านะคะทางใครทางมันนะเราไปฟังของคนอื่นนะฟังแล้วบางทีก็อิจฉาก็มีนะฟังบางทีก็ท้อใจโอ้โหเขาเก่งอย่างเลยทําไมเราไม่เก่งก็สิ่งไม่ใช่ต่างคนต่างเก่ง เขามาฟังเราถามเขาก็กลัวเหมือนกันแหะเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะของหนูนะใจยังฟุ้งเก่งอยู่<ะ>หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ซ ะ, ะ, ะจะอยู่กับพุทโธทอยู่กับลมหายใจอะไรก็หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่<ะ>ถ้าจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้นะถ<ะ>้ะาฝึกตัวนี้ให้เยอะก่อนสมาธิยังไม่พอขอบพระคุณค่ะครับรพรอจากหลวงพ่อก่อนนะครับ ยถาวาริวหาปุราปริภุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังจิปะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาฉันโธปันรสโอยถามณีโชติรโสยาถาสัพพีติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกฟวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุทาปัจจายโนจ ต, ตารโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับผู้จัดด้วยนะที่อยุธยาปาก อ, อนุโมทนากับทุกคนได้อุตสาห์มาฟัง แต่เป็นนี้ก็ถือเวลาช้อปปิ้งแล้วไั้งกาต่างมัน